บุกทูสามสิบเอ็ดทริเดกอนุที่ร้านอาหารสามเนนารสโตรตซโอทริดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะมิชัตุสอันตอมันจาจน ดิฉันอยากได้สลัดค่ะมิชาตุสสลาดตันดิฉันอยากได้ซุปค่ะมิชาตุสซุปตันดิฉันอยากได้ของหวานค่ะมิชาตุสเดซเซอรต์ตันดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะมิชาตุสกลาซิอาเจนกับวิปปิตาครีม ดิฉันอยากได้ผ ล, ลไม้หรือชีสค่ะร เ, รเราต้องการทานอาหารเช้ า, ชา เ, เราต้องการทานอาหารกลางวั น, นเราต้องการทานอาหารเย็น ออาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะขี้อันว a t u s por ร a ามาเทนมันขนมปังกับแยมและน้ำพึ่งไหมคะชูบูคอยน์คุณคอนฟิต a j โอไคมขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะชูรสต์พคุณคอลบา s o k a ฟ f r o m a จ o ไข่ลวกไหมคะชูบลิกิตันโอเวอนไข่ดาวไหมคะชูพลัตฟริกติตันโอเวอนออมเล็ตไหมคะชูออมเลตตันขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะอุนุพียนโยเกิร์ตตันมิเตตัสขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ าาอขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ